สายตาเธอมันฟ้องอะไรในใจนี้ไม่ต้องกลัวหรอกรักเป็นสิ่งดีเชื่อฉันสิบอกมาได ร, รักสักคำหนึ่งเพียงรกระสีว่ารักแ เ, เบาเบารู้แค่เพียงเรารับร้องไม่บอกใครที่ได้คบกัน ร้องความจริงจากปากเธอบอกรักแล้วใจฉันแต่แรกเจอเหลือดิเธอยังไม่พูดเลยอย่าเลยเธอเก็บไว